ทวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รนะคะายการนี้นอกจากจะมีดิฉันสันสนีหน้าพงแล้วท่านที่มาให้ธรรมะกับท่านฟังกันอยู่เป็นประจำทุกวันเว้นวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็คือพระมหาภัยบูญอภิปุนโนท่านพ่วงนวยการหลักสูตรเลกเรียนวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีคะ่ะ ในตอนเริ่มต้นของรายการเราจะเป็นห่วงเวลาที่พิเศษมากนะคะให้ท่านได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติสมาธิกันอย่างไม่ต้องเดินทางไปแสวงหาครูอาจารย์แต่ว่าครูอาจารย์นั้นมาโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพบกับท่านทางสถานีวทิทยุแห่งนี้เลยเราจะเริ่มต้นในตอนต้นๆของรายการสําหรับท่านผู้ที่คุ้นเคยอยู่แล้วก็จะทราบดี แต่สำหรับผู้ใหม่นะคะคือสิ่งที่ดชฉันอยากจะบอกว่ากําลังจะพาท่านไปพบกับพระอาจารย์ค่ะกราบนมัส ก, การนะคะท่านคะเจริญบอลก่อนที่จะมาเริ่มฟังธรรมเราก็มาปฏิบัติตามกันสักนิดหนึ่งวิธีการปฏิบัติตามนั้นพระปราชาได้ตรัสไว้ก็คือนึกคนเดียวตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆที่ใต้ต้นใจอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะใกล้ๆริมฝั่งแม่น้ําในรันจรานละคิดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4ี่ก่อนเลยสติปัฏฐานสี่ คือสิ่งที่จะเป็นเครื่องทำํำสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้นั่นคือการปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัตินั้นเราจะตั้งสติขึ้นได้อย่างไรวิธีการที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นั้นมีอยู่หลายวิธีการมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระลึกถึงลหมหายใจการที่เราจะระลึกถึงความดีของเราข้อใดข้อหนึ่งเป็นการระลึกถึงศีลานุสติเป็นต้นในที่นี้เราจะลองฝึกวิธีการที่เรียกว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือเจริญพุทธานุสติดูกันบ้างแต่เราฝึกเรื่องของอนาปานาสติมาหลายวันละ อันนี้เรามาดูเรื่องของพุทธานุสติกันบ้างคือการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างการที่ท่านผู้ฟังอาจจะกล่าวนโมทัสสะพระคุวะโตอย่างเงี้ยคือจิตเราก็าไปนะไปถึงพระพุทธเจ้าละเพราะงการระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นเราสามารถที่จะระลึกถึงพนะระพุทธเจ้าให้กำหนดบทเพียนชนะอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรันะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบทนี้ที่เราสวดกันได้ก็คือ อิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุโทโธ น, นพุโทโธเราจะนึกคํานี้ก็ได้เป็นลักษณะของวจีสังขารเพื่อให้จิตเราไปถึงพระพุทธเจ้าหรือการที่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยการทํำกายะกา ย, ยสังขารหรือเป็นการกราบก็ได้เป็นการนึกถึงโดยคําพูดหรือเป็นคำพูดว่าชื่นพุโทโธก็ได้หรือจะใช้คําว่าภควาก็ได้หรือการที่เราจะใช้จิตใ น, นคิดถึงคุณธรรมของท่านต่างๆเช่นการที่ ท่านนั้นเป็นผู้ที่สามารถจำแนกแจกธรรมเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาเป็นผู้ที่มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมเป็นผู้ที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุคคลต่างๆเราทรงจิตของเร า, เาไว้ตรงนี้ในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยท่านบอกว่าจิตของผู้ที่ปรารบตถาคตระลึกถึงตถาคตอย่างนี้จิตของบุคคลนั้นย่อมดำเนินไปตรงทีเดียวบุคคล ท, ที่มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบตถาคต ย่อมได้ความรู้สึกต่ออัตถกย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรมะย่อมได้ความสงบอันเกิดแล้วจากธรมรมจิตของบุคคลที่เป็นแบบนี้จะมีปราโมทมีปีติอยู่ในใจเมื่อมีปีติมีปราโมทแล้วกายก็จะมีความสงบระงับบุคคลที่มีกายสงบระงับแล้วจิตก็จะสุขจิตของคนที่มีสุขนั้นก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเราใช้สมาธิ ที่เกิดจากการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้านี้มาในการพิจารณาคำสอนของท่านนี่แหละที่สอนไว้บ่อยมากสอนไว้อย่างเยอะแยะแจกแจงมากมายว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา บคคลที่ระลึกถึงคําสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมทาญาติแน่เป็นผู้ที่เกิดจากโอ์ของพระพุทธเจ้าแต่เราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ได้ตลอดเวลาด้วยแต่เช่นบางคนอาจจะมีรูปพระพุทธรูปอาจจะเป็นเครื่องหมายแทนที่จะให้เรามาคิดถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในที่ทํางานบ้างที่บ้านบ้างผ่านวัดที่ไหนจิตใจเราไปถึงนี่เราก็เจริญพุทธานุสติตลอดอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่เราสามารถจะใช้ในการฝึกสติให้จิตเรามีสติตั้งมั่นแล้วมีสมาธิแล้วพิจนารณาเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆในอยู่ที่ว่าเครื่องมือเราใช้นั่นเองเราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือก็ได้ใช้พุทธานุสติก็ได้เหมือนเรากินข้าวเนี่ยคุณจะใช้ตะเกียบก็ได้คุณจะใช้ซ่อมก็ได้ก็ให้มีการทําในวิธีต่างๆฝึกให้เข้ามาได้โดยรอบเนี่ยมาร์กวิธีมันเข้ามาได้โดยรอบกันอยู่แล้วฝึกไปฝึกไปอย่างนี้ในความชํานาญในการปฏิบัติก็จะ ค่อยมีขึ้นเราก็จะค่อยก้าวใกล้เข้าสู่ความพ้นทุกข์ขินิพพานได้นั่นเอง่นบอสสักทุกครับท่านครับถ้าเป็นเช่นนี้วิธีที่ท่านว่าเนี่ยคือวิธีพุทธานุสติพุทธานุสติที่ได้กล่าเอาสติไปไว้ที่การระลึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ใช่ทีนี้ดิฉันอยากจะกลับเรียนถามว่าจัดว่า อยู่ในสัมมาสติไหมคะถูกต้องแน่นอนถูกต้องแน่นอนทําไมเรามาดูที่กลับมาที่ตัวแม่บทก่อนนะคุณยมติวอย่างที่เราเคยพูดไปในรายการเนี่ยว่าสติเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด10อย่างอนุสติ10อย่างใช่อหมในนั้นก็จะมีอนาปนสติด้วยอย่างหนึ่งหนึ่งในอย่างนั้นก็คือพุทานุสติด้วยซึ่งอนุสติทั้ง10อย่างเนี่ยจะทําให้เกิดสติปัฏฐานสีได้สติปัฏฐานสีได้แล้วไอ้สติปัฏฐานสีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่า คือสัมมาสตินั่นเองนั่คือท่านขึ้นหัวข้อว่าสัมมาสติแล้วสัมมาสติเป็นยังไงก็อธิบายถึงสติปัญสีใช่ไหมทีนี้ตัวอานาปานสติก็แยกกมาว่าเออก็คือสติประัญสีเพราะนั้นเจริญอานาปานสติก็คือเจริญสัมมาสตินั่นเองอานาปานสติก็อยู่ในหมวดเดียวกันกับพุทานุสติแต่เพราะฉะนั้นพุทธานุสติก็ทําให้เกิดสัมมาสติได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวท่นขออนุญาตถามต่อไปอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนี้ว่า ถ้าบอกว่าสัมมาสติเป็นสติปทานสี่ที่มีสติอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรร ม, มในส่วนของพุทธานุสติที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าจะบอกว่าเป็นอันเดียวกับสติปทานสี่คือมีการระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตและธรร ม, มจะอธิบาย ก, การระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรเอามา <Okay. S 2> เข้ากายเข้าเวทนาจิตธรรมเนี่ยค่ะตรงนี้ถ้าเรามาดูที่อนาปานสติเนี่ยเราจะคุ้นเคยอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าแยกเอาไว้ให้ใช่ไหมแยกเอาไว้ให้ว่าตรงนี้คือกายนะตรงนี้คือเวทนานั้นนี่คือจิตนั้นนี่คือธรรมนะตรงนี้ท่านมีแยกแยะเอาไว้แล้วก็ต้องกลับมาดูที่อีกอุปมาอุปไมยหนึ่งด้วยในเรื่องของอนาปานสติเนี่ยคือพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราสรับสวนว่าเอ๊ะจะเอาอันไหนกันแน่จริงๆแล้ว4ี่อันมันคืออันเดียวกัน โดยยกอุปมาเรื่องของเรือนยอดหลังหนึ่งเรือนยอดนี่ก็คือเช่นศาราหรือว่าเจดีหรือว่าที่ประชุมแห่งใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีทางเข้ามาจากเหนือตะวันออกใต้และตะวันตกเข้ามาจากทางไหนก็สู่กลางอาคารเหมือนกันตรงนี้นะ น, นี้เป็นอุปมาประมาณที่เป็นพุทธจน์ด้วยนะก็คือมีสติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือสติอันเดียวนั่นะคือสติอันเดียวทีนี้ในเรื่องของพุทธานุสติ หรตมานุสติเนี่ยพราะพระเจ้าโดยบทพยัญชนะไม่ได้แยกว่าอันไหนคือกายอันไหนคือเวทนาอันไหนคือจิตอันไหนคือตัมแต่เรียกรวมไปเลยว่าอันนี้คือสติอันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาแยกไม่มีพุทธพจน์ที่จะแยกให้ดูแต่ถ้าเราจะรวมโดยสังเคราะห์ว่าอ๋อมันคือสติรวมกันอันเดียวกันนั่นเองจะคือเจริญพุทตานุสติปุ๊บก็คือมีสติปัฐานสอยู่ในนี้แต่ไม่ได้แยกว่าเป็นอันไหนอันไหนแต่มันมีอยู่ในนี้แหละรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวโอเคนะเพราะฉะนั้น ถ้าจะแยกเนี่ยไม่มีที่พ ร, ระเจ้าแยกไว้ให้ไม่มีแต่มีที่รวมไว้ให้สังเคราะห์รวมกันสังคเคราะห์รวมกันจุดตู<ไ>วต้องถุดต้องว่า<อ>เรือนยอดตรงนี้มันมีตัวอย่างเป็นพรพุทจน์อยู่ค่ะเ ด, เดี๋ยวฉันขออนุญาตฟังอีกครั้งได้ไหมคะเออก็คือ อ, อมีเรือนยอดหลังหนึ่งพ ร, ระเจ้าใช้คําว่ากูทาคารนะมีทางเข้าจากทางเหนือทางตะวันออกไหนะมุนวนขวานะตะวันออกทางใต้แล้วก็ทางตะวันตก หนจะเข้ามาจากทางไหนก็เข้าสู่กลางกูฏาคารคือเรือนยอดหลังนี้เหมือนกันหนาก็คือหมายความว่ากายเวทนาจิตและธรรมก็เหมือนกันนี่คือตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการยกอุปมาอุปไม่ว่าคุณจะเดินมาจากทางกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็เหมือนกั น, เ ห, น, กนเหมือนกันตรงไหนตรงที่เข้าสู่กลางอาคารเหมือนกันตรงไหนตรงที่เกิดสติขึ้นเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นสติปัฏฐานสีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หนจะเข้าจากทาไหนไม่รู้แต่เราต้องการเข้าไปที่กลางอาคารใช่ไหม ทีนี้พุทธานุสติเนี่ยคือมันเหมือนกับวาบเข้าไปเลยนะแหมตมานี่คือคือความเข้าใจของอัตมานะคือมันเข้าท่อแล้วคุณก็ลงไปในกลางอาคารนี้เลยมันมันอยู่ในข้างในแล้วมันไม่ได้ว่าจะต้องมาจากทางไหนคือมันอยู่ตรงนี้เคลรด่มันคำกล่าวหรือว่าประสบการณ์ของครูบาอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติบางท่านก็ยึดเอาวิธีสวดมนต์ บทสรรเสริญหรือว่าบทระลึกถึงพระพุทธเจ้าอีติปิโสที่ท่านได้กล่าวมาแล้วเนี่ยอถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นสวดมนต์บทนี้อืสวดสวดสวดแล้วสวดอีกบางคนสวดเป็นร้อยจบนะคะอ๋อใช่ก็สามารถที่จะมีสติตั้งมั่นขึ้นมาได้อันเรียกว่าเป็นสติประฐานสี่อย่างนั้นเออเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนนะว่าคําว่าสติเนี่ย คือการที่ระลึกได้คือการที่จิตเรามันจะแล่นไปพุ่งไปในะการที่จิตเรามันจะแล่นไปพุ่งไปเนี่ยมันไปได้3ทางในะจิตเนี่ยมันเป็นตัวคุมกายคุมวาจาแล้วก็คุมใจนะคือจะมีกายสังขารวัชีสังขารแล้วก็มโนสังขารในนะจิตนี่มันจะไปได้นี่นะมันจะแล่นไปไหนเนี่ยคือถ้าเรามี Input กับ output ใช่ไหมอินพุตเนี่ยคือตาหูจมูลิ้นกายใจมาจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณธ์และธรรมารมนี่คือ Input ตในเอาพุต เอาพูดที่จิตมันจะแบบปรุงแต่งไปไปไดนะ้มันก็ไปทางกายสังขารวจีสังขารหรือมโนสังขารไปได้3ามทางซึ่งถ้าเราพูดคําพูดชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นอ่ะอันนี้คือวจีสังขารนะเช่นการสวดมนต์เป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตมันไปทางเนี้ยมันแน่นอนคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าแน่นอนคุณจะแสดงออกด้วยยังไงล่ ะ, ะก็ด้วยการพูดโอ้ฉันรักพระพุทธเจ้านี่ๆๆนี่เพราี่นนี่คือคําพูดของคุณ และ ก, การกระทำทางกายล่ะก็กราบก็ไหว้ก็บูชาด้วยสิ่งที่เป็นอาเมิอะไรก็ว่าไปการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือทางกายและทางจิตละ่ะจิตเราก็ตั้งไว้ในคุณธรรมของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ท่านมีเมตตาการุณามหมั่นนโวเอาเราอาจจะไม่เท่าเศษเชี่ยวหนึ่งของท่านแต่ก็ตั้งเอาไว้มันก็มีคุณธรรมที่ใกล้ท่านอย่างนี้อันนี้ก็เป็นมโนสังขารเพราะฉะนั้นกายสังขารวจีสังขารหรือมโนสังขารที่จะปรุงแต่งไปในทางที่จะเลิดถึงพระพุทธเจ้าสามารถทําได้ในรูปแบบไหนก็ได้ แก็เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันไปในทางที่มันดีนนี้คือการปรุงแต่งแน่นอนนะสตินี้คือการปรุงแต่งแน่นอนเนาะค่ะเจริญพเอ่ออย่างนั้นเวลาที่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งในการที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่ถ้าในลักษณะของอาณาปานาสติส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินว่าจะมีปรากฏการณ์ที่ทำให้เราได้เห็นจิตว่า ไม่เที่ยงอาา่าฮะใช่พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้า<ะ>หายใจออกอ่า จ, <ะ S 2> จะเห็นความไม่เที่ยงจะเห็นอ่าเขาเรียกอะไรคะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยอืมความเป็นทุกขังใช่ไหมคะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยอืมใช่แล้วก็เป็นอนัตตาอืมถูกต้องซึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยอ่าพอจะนึกออก ว่าถ้าเป็นปรากฏการณ์ลมหายใจในการที่เรามีสติอยู่กับอนาปานาสติหรือว่าลมหายใจนะคะแต่ทีนี้พอเป็นเรื่องของการระลึกถึงพระพุทธองค์เนี่ยดิฉันยังนึกไม่ออกว่าในส่วนของที่จะมาพิจารณาธทำก็เรียกว่าในกา ร, การที่จเจริญสติกับพุทธานุสติเนี่ยค่ะวิปัสสนาตัวนี้มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมล่ะคุณยมติ ว, ว่าเป็นคนที่ปฏิบัติอานาปานาสติะได้คล่องพอสมควรอยู่แล้ว จึงสามารถจําได้แยกแยะได้ว่าอ๋อเห็นลมแล้วลมไปเคลื่อนรู้ความคิดอันามัยมีความไม่เที่ยงพัวทันทีเพราะเราทําอยู่บ่อยเราทําอยู่ชํานานตอ น, น, นแรกๆเราอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนหรือหรือถ้าจะไม่รู้เลยสังเกตไม่ได้ว่ามันเป็นงนี้แต่พอเราทําไปทําไปฝึกไปปีสเราก็มีความคุ้นชินขึ้นมาใช่ไหมแต่นี้อนาก็นําเสนออีกวิธีหนึ่งก็เรียกว่าพุทธานุสติแต่เหมือนเราขับรถเก่งเราขับได้อ่ะแต่ถ้าให้ไปขับแทรกเตอร์เดี๋ยวมันต้องเรียนรู้ไงเกียร์มันเป็นคนระแบบกันอย่างเงี้ยนะอ่า <Okay. S 2> ทีนี้ว่าการจเจริญพุทธ ตัวนี้บทเพลชนะพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ชัดเจนว่าพอคนที่เรียสาวกเนี่ยที่ปรารบตรถาคตเนียระลึกถึงตถาคตอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเขาเนี่ยย่อมเป็นจิตที่ดําเนินไปตรงทีเดียวแนะี่ผู้ที่มีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารบตรถาคตอย่างนี้เนี่ยย่อมได้ความรู้สึกต่ออัตตาย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรมะเนะี่จิตก็จะมีปีติปราโมทย์จนไปถึงสมาธิเนะีจิตก็จะมีสมาธิได้อันนี้คือลําดับขั้นที่ถูกต้องนะพอคุณมีสัมมาสติแล้ว คุณจะมีสัมมาสมาธิด้วยนะเพราะจิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาเห็นได้ไงตรงนี้ค่ะเท่ากับว่าพอเป็นที่บอกว่าเมื่อดําเนินไปตรงเพร า, ราลแล้วก็จะทําให้เกิดอ่าเพราะปรารภะวิชาก็จะทําให้จิตมีปีติสมาธิเกิดขึ้นค่ะมีปิติ ม, มีสมาธิเกิดขึ้นเท่ากับว่าท่านกําลังจะอ่าท่านท่านได้สรุปให้เราว่าไปแน่ถึง สัมมาสมาธิที่ถ้าคนที่เคยท่องออริยมรตปีองแปดในส่วนของสัมมาสมาธิก็จะมีการพูดถึงปฐมฌานทุติยฌานใช่ตฏิยฌานใช่จะตดฐ า, า น, านลักษณะของอันนี้คือคือยังไงก็ไปถึงที่เดียวกันอย่างนี้นใช่ไ้มคะคือก็จะต้องพัฒนาไปเกิดปฐมฌานที่ไม่มี อไม่มีขปุญฺญ์ค่ะยังมีวิตโตหิจาร์อยู่มีปิติระสุอย่างนั้นเลยถูกต้องคือไปสู่ที่เดียวกันสู่ที่เดียวกันแล้วตรงสมาธิเนี่ยก็จะเป็นบาตฐานแห่งการบรรลุธรรมได้ไงตรงเนี้ค่ะก็เท่ากับว่าจะเจริญอาณาปานสติก็ได้ ห, หรือจะใช้วิธีพุทธานุสติเพื่อดําเนินมาสู่สัมมาสมาธิก็ได้เหมือนกัน ก็ก็ตรงถูกต้องใช่ใช่ก็ตรงอย่างในในอนาปนสติเนี่ยที่บูึงว่าทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าหายใจออกนะถัดจากบทที่ทําจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยก็คือทําจิตให้ปล่อยใช่ไหมถัดจากตรงนี้ก็คือให้เป็นผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกตรงนี้มันก็คือเป็นสมาธิเราก็มาทําการเห็นตามที่เป็นจริงนะก็ลําดับขั้นเดียวกันในการเจริญพุทธรนปสติเหมือนกันค่ะแต่ในพุทธพจน์นั้นนี่พระพุทธองค์ ตรัสไว้กว้างๆใช่ไหมคะว่าเป็นการระลึกถึงพร ะ, ระรบุทรเจ้าใช่ใช่โดยไม่ได้บอกว่าอย่างไรด้วยอาการอย่างนี้ก็คืออิติปิโสพระคว า, าที่เราสวดกันทีนี้ทีนี้บทอิติปิโสพระควาเนี่นะคือคถ้าจะพูดล้ำก็ยังย่ออยู่นะคุณยมติวเนี่ยเหรอไหมคือพระบุตรเจ้านี่มีคุณธรรมเยอะแยะแล้วมาอัดรวมกันอยู่แค่ไม่กี่บรรทัดเจ็ดเจ็ดแปบรรทัดเนี่ยมันก็ยังย่ออยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะระลึกถึงไปเนี่ย จิตมันน้อไปเนี่ยกายวาจาใจมันก็ไปตามบางคนก็จะใช้คําว่าพุโทโธอย่างเงี้ยก็นีก่ก็ราคะสมาธิพุโทโธก็อยู่ในนั้นหรือถ้ามโนสังขารก็อาจจะเป็นคุณธรรมของท่านอลละไรอันหนึ่งกาะยะสังขารอาจจะเป็นเรื่องของการกราบการไหว้การประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายที่เราเห็นมันคือมันไปหมดไงกายวาจาใจอ่ะค่ะก็เท่าเท่าที่ฟังเนี่ยคือ ด, ดิฉันกำลังจะถามแทน ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะ <Okay. S 2> ว่าอย่างนั้นอ่ะเมื่อกี้ท่านสรุปมาว่าจะได้เอ่ยขาน<ช>รักนามของพระพุทธองค์อืว่าพุทโธก็ได้อืใช่ไหมคะใช่หรือว่าจะสวดอิติปิโสก็ได้แต่แต่เมื่อสักครู่พอฟังท่านบอกว่าคุณสมบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะมากอืย่อมาอยู่ในอิติปิโสนี้อิติปิโสเนี่ยก็จะพูดถึงว่าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ได้ โดยพระองค์เองออเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นครูผู้สอนได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าประมาณนี้ยนะคะออันเนี้ยมีคุณสมบัติมากไปกว่าบทที่เราสวนกันอีกที่ท่านพูดหมายความว่าอย่างนี้ถู ก, ถกต้องถูกต้องมีบทอืน่นๆเช่นว่าพระพระุทธาเนี่ยเป็นผู้ที่กล่าวตามธรรมกล่าวอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นนี่ก็เป็นคุณธรรมของท่านอันหนึ่ง ออันนี้ก็ได้หรือว่าการที่ท่านมีคุณสมบัติในการที่เข้าออกฌานสมาบัติทั้งเก้าขั้นได้ทั้งอนุโลมปฏิโลมอันนี้คือท่านก็อธิบายไว้ว่าตราบใดที่เราสามารถเข้าออกอนุบุพภาวิหารเก้าทั้งอนุโลมและปฏิโลมได้เราจึงปฏิญญาว่าเราเป็นสมาสมปุทตาอย่างนี้อันนี้ก็ใช่ค่ะเอะทีนี้ดิฉันเห็นเวลาการไปฝึกปฏิบัติเนี่ยอื สมมุติว่าบอกให้ภาวนาด้วยคําว่าพุทธโธก็มักจะให้ค่อยได้รับคําอธิบายอะไรอย่างละเอียดอย่างที่ท่านพูดหรอกนะคะเหมืนอมนแับว่าก็สรุปรวมเข้าใจว่าชาวพุทธเนี้อรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักว่าเป็นาศาสดารู้จักว่าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเนี่ยดิฉันเชื่อว่าบางคนยังไม่ทราบเลยนะคะว่าความหมายในความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่ตรงนี้อื ม, อม ก็ไม่เป็นไรหมายถึงจากการที่ได้ได้เห็นวิธีการสองสองอที่ผ่าน ม, มานะคือตัวนี้สําหรับคนไทยอ่ะนะคุณยบเดีสําหรับ ค, คนไทยเนี่ย เ, าเราเราไปที่ไหนเราก็เห็นวดัดเราจะเติมทําะไรเทกับนนโมตาสซาอย่างเงี้ยนะคือเนี่ยจิตเราไปถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเลยคือถ้าจะพูด ง, ง่ายๆในวันวันหนึ่งเนี่ยเรามีเครื่องที่จะให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้มากกว่าเครื่องที่จะทําให้เรานึกถึงลมหายใจอีกเราพูดถึงจริงๆเถอะถ้าเราอยู่ในเมืองไทยนะค่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเออ ค่ะที่ฉันเข้าใจแต่ว่าที่นี้หมายความว่าถ้าเราศึกษาพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่างเช่นหลักกาลรามาสูตรอย่างเงี้ยนะคะพระพุทธองค์ก็จะตรัสให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่จู่ๆก็ไปปักใจเชื่อในสิ่งใดง่ายใช่ไหมคะอย่าเชื่อเพราะอย่างนั้นอย่าเชื่อเพราะอย่างนี้นี่เยอะแยะไปหมดจนบางคนก็ถามบอกว่าเออนี่เชื่ออะไรไม่ได้เลยแล้วเราจะเชื่ออะไรใช่ไหมคะก็เลยดูเหมือนกับว่ากับการที่มีการบอกให้อ่า พูดถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่บอกว่าพระพุทธเจ้ามีคุณลักษณะอย่างไรเนี่ยแย้งๆกันอยู่ในตัวอ๋ออ่าก็ควรจะลงในรายละเอียดเช่นอิติปิโสอย่างเงี้ย น, นะบทเนี้ยก็จะมีความลึกซึ้งมากเลยเดียวถ้าเรามาศึกษาในประเด็นนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะมีพุทธานุสติจําเป็นถึงขนาดไหมคะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นสักหน่อยออเอาแค่เพียงบทอิติปิโสก็ยังดี ถูตถตแต่ไม่ใชยรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพราะบางคนอาจจะบอกงั้นชอบคําว่าพระพุทธเจ้ายาวดีทําให้สติมั่นคงดีแต่ว่ารู้จักแค่พระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าค่ะ <c oughs> คือคือแม้แต่ชื่อชื่อคําว่าพุทธโธเองเนี่ยนะคําคําเนี้ก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่แล้วอนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเอ่ยชื่อคํานี้ไปโดยที่เรายังไม่รู้ความหมายของเขาเนี่ยอย่างน้อยจิตเนี่ยมันมีการปรุงแต่งไปใน ทางวจีสังขารตรงนี้อย่างที่เรามาว่าสมมุติถ้าเราท่องพุโตพุโตอยู่ในใจอย่างเงี้ยนะพอเราต้องพุโตพุโตเอ๊ะคำนี้หมายความว่าไงเราก็ต้องให้มโนสังขารแล้วก็กายสังขารแต่มันก็เป็นไปต า, ตามเป็นไปตามกันด้วยเพราะว่าสังขารการปรุงแต่งมันก็จะมีอิทธิพลต่อจิตนะจิตก็จะมีอิทธิพลต่อการปรุงแต่งตัว น, นั้นจะไปด้วยกันค่นะค่แติฉันไม่รู้ว่ากําลังทําให้ท่านฝั่งสับสนหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นความสับสนส่วนตัว ประกอบกันไปด้วยคือเหมือนกับว่าในการศึกษาของเราเนี่ยถ้ามีครูบาอาจารย์มากกว่าหนึ่งรูปหนึ่งท่านเราก็จะพบการสอนที่แตกต่างกันในะคะดิฉันเนี่ยเจอมาทั้งยุบหนอพองหนอ่อพุโทโธแล้วก็มาไม่ต้องมีคําภาวนาเลยทีนี้ดิฉันก็เท่าที่ฟังก็ดูเหมือนกับว่าถ้าฟังจากท่านเนี่ยท่านจะบอกว่าไม่มีอะไรผิดหรอกถูกไหมคะเพียงแต่ว่าแตกต่างกันอย่างไร ทำไมครูบาอาจารย์บางท่านถึงใช้คำนี้ทำไมครูบาอาจารย์บางท่านถึงปฏิเสธที่จะไม่ใช้คำนั้นโดยมีความเชื่อว่าไม่ใช้ดีกว่าให้รู้ลมหายใจอยู่เฉยๆนะแม้กระทั่งที่ไปเรียนรู้ที่วัดป่าดอนหายสงฆใช่หมคะมท่านก็ไม่ได้ให้ใช้คำภาวนาเนี่ยคะ่ะดิฉันทักงงแล้วคะ่ะท่านคะขึ้นเป็นเงี้ยกูอยู่ถึงหลักลการในการที่เราจะศึกษาในทางคาสอน ของศาสดาที่ตัวศาสดาไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคือตัวพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยนะ เ, เราต้องกลับมาที่แม่บทไงต้องกลับมาที่แม่บทอาตมาก็พยายามจะมาลองลองพิจารณาวิธีอื่นๆนนะ่ะคือทำไมเราจะต้องมายึดกับวิธีนี้อาตมามก็ลองคิดอย่างนี้นะเราลองวิธีอื่นดูไหมเช่นว่าพุทธา น, นุสติเอ้าเป็นข้อแรกในอนุสติสิบเลยไหนท่านสอนว่ายังไงก็อ๋อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยอาการอย่างนี้เออเราจะระลึกถึงเนี่ย เราจะน้อมจิตไปยังไงกําลองพิจารณาดูนะก็ะมีบทตรงนี้จิตมันจะดําเนินไปตรงจะได้สมาธิขึ้นมาไอ้แล้วจิตเราน้อมไปตรงนี้เป็นการปรุงแต่งแน่ถ้ามีการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยอแล้วท า, ารปรุงแต่งทางวาจาและการปรุงแต่งทางกายทําไมจะไม่มีเราก็เลยมาถึงจุดนี้ว่าเอาถ้ามีการปรุงแต่งทางวาจาอามันก็เป็นคําพูดนีนาะใช่ไหมจะพูดออกเสียงหรือพูดในใจก็เป็นวจีสังการเหมือนกันเอแล้วเราจะพูดชื่อ พักาวารหรือพุโทโธหรือคําสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นผลออกจากใจของเราที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะต้องได้สิเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นแม่บทอะนะเป็นเป็นพุทธพจน์ที่มีการซัพพอร์ตกันอย่างนี้ค่ะคือคือกล่าวเรียนท่านนะคะดิฉันอาจจะไม่ได้ศึกษาค้นคว้าอะไรมากแต่ทีนี้พอมาได้เรียนรู้อ๋อถ้าเป็นอริยมรรคหมีองแปดเนี่ยบทพยัญชนะเป็นอย่างนี้อันนี้ตัวตัวดิฉันจริงๆเลยนะคะ uh huh. ก็มีความรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละเอ่าประกัน การที่เราจะมีความรู้ที่คล้าเคลื่อนก็ใช้แม่บทที่เป็นอริยสัจถือว่าอันนี้เป็นหนึ่งในอริยสัจสี่เลยถูกไหมคะใช่ที่ได้อธิบายไว้ว่าถ้าสัมมาสติเป็นอย่างนี้สัมมามสมาธิเป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> ก็จึงพยายามพอเจอดิฉันเจอสำนักที่แบบว่า มาตรงตรงเนี้ยก็มีความรู้สึกก็ดีนะเราจะได้ไม่สับสนก็ <laughs> ต้องกล่าวเรียนท่านจริงนะคะยิ่งเราใช้ชีวิตมามากแล้วเรามีประสบการณ์เยอะเนี่ย uh huh. ถ้าเราเอาประสบการณ์ทุกอย่างมารวมรวมกันเนี่ยเราจะไปไหนต่อลําบากค่ะอื <Ừ. S 1> พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างไวตง้ตัวนี้คุณโยมติว <Yeah. S 2> อมีภิกษุรูปหนึ่งมีคนคนหนึ่งมอีอุปมาอุปมาอุไม้นะเขาเขาไปถามอคนคนหนึ่งบอกว่าต้นตองกว้าวเนี่ยเป็นยังไงคนหนึ่งก็บอกโอ้ต้นทองกว้าวนี่ใบดอกมาก ใบเข้มแล้วก็ใบดอกมากโอเคโอเคต้นทองกวาใบดอกคนเดียวกันนี้เขาก็ไปถามอีกคนหนึ่งก็บอกท่านท่านคุณคุณต้นทองกวาเป็นยังไงเขโอ้ยสีมันอย่า ง, ยยงกับเลือดเนื้อเนี่ยดอกดอกของมันเนี่ยสีอย่างกับเนื้อเนื้อที่เนื้อสดที่เขาขายตามตลาดนะนะดอกมันสีเป็นอย่างนี้ไอคนนี้ก็เริ่มงงแล้วเอาอะไรวะต้นทองกวาต้นเดียวกันหรือเปล่าก็เลยไปถามอีกคนที่สามบอกต้นทองกวาเนี่เป็นยังไงไปถามคนที่สามคนแรกเนี่ยไปถาม คนที่สบอกโอ้ยต้นทองก้าวเนี่ยเปลือกต้นมันดําปีเลยดําปีเลยเขาก็งงว่ า, เ อ, าเอ้าทําไมสามคนบอกไม่เหมือนกันนี่มันต้นเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นงงเป็นเรื่องเพราตัวเองไม่เคยเห็นต้นทองก้าวแต่เมื่อไรตัวเองเนี่ยได้เดินไปเห็นต้นทองก้าวแล้วเออใช่ต้นมันสีดําหนาใบมันดกหนาดอกมันสีแสดแปด๊ดเหมือนอย่างกับเนื้อที่ขายตามตลาดสดเขาก็จะรู้ไดด้ตัวเองพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าอย่างนี้คุณโยมติว่า ท่าขึ้นฝั่งปริณิพัทธ์เนี่ยมันมีหลายท่ามีหลายท่าเหมือนท่าท่าแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยนะจะไม่เด็กๆนะมันก็ขึ้นท่าปากคลองตลาดลงท่ายกยอเน่ยจะข้ามฝั่งก็ไปขึ้นท่าซิรีลาอย่างเงี้ยมันมีหลายท่าก็อยู่ที่ว่าคนนั้นเขาถนัดท่าไหนคนที่พูดเนี่ยสาวกเนี่ยน ะ, ะครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็อาจจะถนัดแบบนี้วิธีการทํำมาครูบาอาจารย์นั้นก็จะถนัดแบบนั้นก็จะบอกสอนอาจจะ มีความที่บไม่ไม่เหมือนกันบ้างเพราะว่าท่านก็ชำนาญท่านั้นท่านั้นไปแต่คนที่ ฉ, ะฉะลาดในมรรควิธีก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละและเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่ตัวแม่บทนี้เราก็จะไม่หลงอะ่ะค่ะซึ่งซึ่งดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะนะคะก็เหมือนกับว่าเในเมื่อเอเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติเนี่ยจะปรากฏการปรุงแต่งของจิตในทิศทางที่ไม่ใช่ สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่มมดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับต้องมีมีบทพยัญชนะนี่แหละที่จะทำให้มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมั่นใจนะใช่ค่ะและดิฉันเองไม่แน่ใจนะคะว่าดิฉันจำมาถูกต้องหรือไม่มว่าเหมือนกับมีพุทธพจน์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตราดถึงการเดินตามมารรค ที่ถ้าไหนบทเพียรชนะก็จะเรียงลำดับใช่ไหมคะมว่าทิฏฐิ่ทิฏฐิสังกัปปวาจากรมมันตะอาชีวาวายามะวายามะสติสมาธิใช่หคะใชเเ่เหมือนกับมีบอกว่าถ้าจะต้องเริ่มต้นหนึ่งสองสาสี่ที่ฉันได้ยินอย่างนั้นใ น, ใ น, ในความทรงจำนะคะเดี๋วก็เลยเอย๊ก็ถ้าอย่างนั้นสมมตวิว่าเราคิดว่าเราระลึกถึง สมมติดิฉันจะเลือกนึกถึงอะไรดีนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ย น, นะคะสมมตินึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ดิฉันไม่สามารถที่จะเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องสัมมาสติได้ที่ว่าอ่าเป็นมีสติอยู่กายเวทนาจิตธรรมอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะดิฉันเทียบเคียงไม่ได้เนื้อขาดความเชื่อมั่นนี่ดิฉันมาถูกห ร, รือเปล่าเนี่ยอ๋อก็การนึก ถ, ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาอย่างนี้เป็นสัมมาสังกัปปะไปก่อนคือคือสมมติฐานที่คุณโยมติ๋วตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่ามันจะต้องเรียงมาตามลำดับเนี่ย อันนี้คาดเคลื่อนนิดหนึ่งคือมันเกิดขึ้น<ช>พร้อมๆกันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์หรอคะท่านคะไม่ไม่ใช่คือท่า<ข>นเข้าใจว่าที่ทนฟังพุทธพจน์เมืม่อไม่คือคือพระพุทจาเนี่ยไล่มาอย่างนี้บอกว่าผู้ที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสังกัปปะให้เกิดได้ผู้ที่มีสัมมาสังกปปะแล้วเนี่ยจะทำสัมมาวาจให้เกิดได้มีสัมมาวาจมสัมมากรมันต์ให้เกิดได้มีกรรมันต์แล้วสัมมาอชิวะไล่ไปล่ไปอย่างนี้อันนี้ก็คือทางหนึ่งใช่ไหมอันน มันไม่แอบสุดเข้าใจไหมเพราะว่ามันมทางอื่นก็มีคำว่าแอบสุดนี่หมายถึงว่าเท่านี้จริงสิ่งอื่นไม่จริงไม่ใช่เข้าใจไหมเพราะว่าอะไรเ พ, พราะมีบุทรพ่์อีกบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคุณมีสามารถสังกปปะนะการที่คุณมีสามารถสังคปปะเนี่ยคุณมีสมาทิฏฐิมาก่อนแล้วคุณถึงมีสัมมาสังกปะใช่ป่ะอันนี้มันก็โอเคใช่ไหมทต่ในการที่มีสัมมาสังคปปะเนี่ยก็คือคุณมีสตินั่นแหละคุณถึงตั้งไว้ซึ่งสัมมาสังกปะได้ คุณตึงละซึ่งมิจฉาสังกปะได้การที่คุณละได้เพราะคุณตั้งสติขึ้นเนะี่ยนั่นก็คือสัมมาสติเอาทำไมมันเด้งข้ามไปตรงนั้นนะอ่ะก็มันเป็นอย่างเงี้ย <Okay. S 1> นี่เป็นพุทพิพพอีกบทหนึ่งด้วยนะออแล้วการที่คุณพยายามในการที่จะละมิจฉาสังกปะเจริญสัมมาสังกปะความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะก็มีพุทธพจนิพพ์อีกอันหนึ่งเหมือนกันก็เด้งข้ามไปได้บัดนั้นมันคือเป็นความที่มันผสมรวมกันสัพท์ที่พระพุทธเจ้ า, ชาใช้เป็นปุพคคือมมสังี เพราะไอ้ตรงที่มันเป็นก้อนรวมกันเป็นกลุ่มก้อนอันเดียวกันเน่ยคุณจะลากเส้นให้มันวนแล้วมันตรงกันต่อเชื่อมกันก็อย่างนี้ก็ได้หรือคุณจะลากจากจุดนี้ไปจุด น, นั้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็เท่ากับว่าที่ดิฉันเข้าใจเนี่ยไม่ถูกต้องเดีออย๋ยวจะพูดว่าไม่ถูกนะคือใช่โย่แต่ก็อย่างอื่นก็ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นผิดเข้าใจไหมค่ะองั้นก็หมายความว่าถ้าตั้งใจที่จะเดินไปตามทางแห่งการพ้นทุกข์หรือมรรค ซึ่งมีอยู่แดองค์อริยมรตมีองค์แดแล้วจะเริ่มดำเนินตรงไหนนะคะก็จะทำให้เกิดผลอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่ดิฉันก็สงสัยว่าดิฉันเข้าใจนะคะอย่างเช่นสมมติถ้า้งตั้งใจจะดำริชอบใช่ไหมคะมไม่มีการไม่มีพยาบาทเบียดเบียนต้องใช้สติต้องใช้ความเพียรสมมติอย่างนี้ น, นะคะก็เกิดอสองมรตสามมารตสีมรเข้าด้วยกันแต่ดิฉัน เข้าใจว่าสมมุติดิฉันจะนั่งสมาธิเลยนะอืเพื่อจะให้เกิดสัมมาสมาธิคือเพื่อให้เกิดฌานในลำดับต่างๆแล้วไม่สามารถทําได้ถ้าไม่ผ่านพวกมรรคอื่นๆก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามรรคนี้เป็นมรรคพิเศษที่แตกต่างคือต้องเป็นการเจริญสติไปถึงระดับขั้นที่พัฒนาเข้าไปถึงปัญญาค่ะก็คือมันมันก็ไปด้วยกันไง บางคนที่ได้สมาธิอยู่ในท่าเดินหรือในขณะที่อยู่ในห้องน้ําก็มีในพุทธประวัติอย่างเงี้ยนะประบอกของสาวกคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ในท่านั่งกําลังลืมตาทำท่าอื่นอยู่ซึ่งในขณะที่เรากําลังอยู่เนี่ยคือจิตมันคือจิตอันเดียวกันจิตก้อนเดียวกันจิตก้อนเดียวกันนี้มีมาร์กทั้ง8ดเนี่ยอยู่ในอันเดียวกันนะ่ยคือไม่ใช่ว่าต้องเรียงตามลําดับไงคือมันไม่ได้เรียงตามลําดับอะ่ะคือคือเวลาคนพูดมันข้อมูลมันไปเป็นสา ย, สายๆก็จะไหม เพราะเพราะเราจะ <c oughs> เอากอไก่มาหลังคอควายไม่ได้กอไก่ต้องอยู่ก่อนค <c oughs> อควายอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องเรียงมา <c oughs> เป็นตามสายสายแต่ว่าพอมันเข้าไปในจิตแล้วมันไม่ได้เป็นเป็น time space อย่างนั้นไงมันก็จะ <c oughs> รวมกันเป็นก้อนเดียวกันค่ะ <c oughs> งั้นก็เท่ากับว่าต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า <c oughs> หากมีมีการปฏิบัติตามมักทั้งหลายแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับ อินทรีย์ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เรียกว่าอินทรีย์5ใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอธิบายธรรมะไว้โดยอนเนกปริยายเยอะแยะมาก ค, คือธรรมาเนี่ยก็เอาอีกสิ่งหนึ่งที่มานําเสนอให้คุณโยมติ๋วให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเออมันเราพาปฏิบัติเรื่องของอนามานัสติมาหลายรอบแล้วใช่ไหมเราลองวิธีใหม่ดูบ้างว่าเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นพุทธพจ์ิยมเหมือนกัน ท่านตรัสเรื่องของพุทธานุสติไว้แ ล, วแล้วก็ถ้าเรามีเวลาเรามาทัชออนดูเรามาพูดคุยกันอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นอีกแง่มุมหนึ่งขึ้นมาว่ามันมีค่านู้นด้วยนะเข้าใจคะ่ะดิฉันอาจจะเห็นแก่ตัวนะคะวันนี้ <laughs> คือเป็นความสงสัยในส่วนตัวที่ต้องการจะเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้น <laughs> เพราะดิฉันก็เชื่อนะคะว่าเรื่องการเจริญสติไม่ได้มีเพียงอาณาปานสติเท่านั้นเพียงแต่ว่า ก็อยากที่จะให้มีความสามารถในการเห็นทะลุไปว่าไปาเข้าไปไปแอพพลายไปปรับเข้าให้เห็นว่าอยู่ในอริยมรรคมีองค์8โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเจริญสติสัมมาสติกและสัมมาสมาธิอย่างไรสรุปแล้วเหลืออีก2นาทีเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้ท่านฟังงงที่ฉันต้องอาราธนาท่านได้ช่วยสรุปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาสนทนากันต่อในวันต่อไปนะคะเด็กน ก็คือว่าในที่นี้เราก็มาลองเจริญสติในเรื่องของพุทธานุสติซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสติ10บแต่บุคคลที่มีสติแล้วเนี่ยในธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราจะรวบยอดหรือแค่อันเดียวเราก็พูดถึงสติอันเดียวถ้ า, าจะแยกออกเป็น2อันก็คือสมถาวิปัสนาถ้าแยกออกเป็นสามอันก็ศีลสมมาทิปัญญาถ้าจะแยกออกเป็น8อันก็คืออริยมรรคมีม่องค์แเนเหมือนจุ่มแห่แห่เนี่ยเราลากเข้ามาลากเข้ามาแต่มันก็คือมารวมกันที่จุดเดียวนั่นเอง เพการปฏิบัติพระพุทธเจ้ายืนยันไว้แล้วว่ามีการปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบเพราะเราทําตรงนั้นทําตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เราเดินเข้าไปใกล้สู่จุมแห่ตรงกลางนี้เหมือนกันนะมันก็ให้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันอจารย์พรนะครับค่ะพอดีเวลาหมดก็คงจะต้องกราบขอบพระคุณท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในวัฒ น, นการค่ะค่ะท่านฟังที่ครบค่ะ นี่ก็เป็นการสนทนาธรรมระหว่างที่ท่านสัสนีนาพงศ์และพระมหาเพรบุญอภิปุลโนท่านเพิม่มเติมการหลักสูตรลีกเรนส์ของวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะจริงๆแล้วมีประเด็นที่จะกราบเรียนถามอีกเยอะแล้วก็ยังมีเวลาที่จะกราบเรียนถามท่านอีกเช่นในวันพรุ่งนี้นะคะทุกพระหหาสุบดีกับวันศุกร์เราจะมาพบกับท่านเพรบุญก็เอาไว้ไปฟัง กันในวันพรุ่งนี้ต่อละกันนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งหุวตั้งใจนะคะปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อความเจริญสติของท่านเองค่ะกลับขอบพระคุณนะคะทุกทวสวัสดีค่ะ